ขอบพระคุณและสันติสุขกับพระเจ้าดำรงกับท่านทั้งหลายผมเชื่อมันว่าเรามีโอกาสได้ขอบพระคุณพระเจ้าอยู่เสมอเมื่อเราได้คิดถึงความรักอันยิ่งใหญ่ของพระองค์เจ้าในเวลานี้ที่เรามีโอกาสได้เข้ามาคิดถึงนะครับผมเชื่อว่าในเดือนนี้นะครับเมื่อเราพูดถึงเป็นเดือนศักดิ์สิทธิ์เราคงมีโอกาสได้เห็นถึงในสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ว่าพระเจ้าได้บีชัยเหลือความตายอย่างไร แต่มากกว่านั้นนะครับเราพบถึงความจริงว่าพระองค์ไม่เคยทอดทิ้งสาวกของพระองค์เพราะว่าหลังจากที่พระองค์เป็นขึ้นมาจากความตายพระองค์ทรงห่วงใยเขาทั้งหลายและปรากฏกับเขาอีกสี่สิบวันนั่นคือสิ่งที่สําคัญที่ทําให้เราได้เห็นถึงว่าพระเจ้าไม่เคยทอดทิ้งเพราะรู้ว่าสาวกของพระองค์แต่ละคนจะเป็นอย่างไรเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใน ที่ปรากฏในหนังสือโยนในบทที่ยี่สิบเ็ดก็จะเป็นสิ่งที่สอนเราทั้งหลายถึงเรื่องราวบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับพระเยซเจ้ากับสาวกของพระองค์เจ้าอยากพี่น้องได้คิดนะครับว่าในเวลานี้ดูเหมือนว่ามีสาวกอยู่หลายคนที่นั่นถ้าเกิดผมอยากให้พี่น้องมีโอกาสเปิดระทรโยนบทที่2ี่สิบเอ็ดไว้เรามีโอกาสได้ศึกษาและอยากจะเรียนรู้บางอย่างที่เกิดขึ้น จุดประสงค์ที่ตรงนี้เม่เราเห็นนะครับว่ามีสาวกอย่างน้อยที่ไปจับปลานั้นมีอยู่เจ็ดคนด้วยกันนะครับนั่นคือในหนังสือยอห์นบทที่21ในข้อที่หนึ่งเป็นต้นไปแต่สิ่งที่น่าสนใจดูเหมือนว่าเป้าหมายนี้ของพระเจ้าเนี่ยตรงไปที่เปโตเพื่อที่จะสอนบางอย่างในชีวิตของเปโตรและเราทั้งหลายโดยที่คาถามนี้จะเป็นคาถามที่ ดึงใจเราอยู่เสมอว่าเจ้ารักเรามากกว่านี่หรือพี่น้องครับผมอยากทหท่านทั้งหลายได้คิดถึงว่าถ้าเราเข้าใจถึงชีวิตของเปโตรเรารู้ว่าชีวิตของเปโตรเนี่ยมีอาชีพเดิมคือเป็นชาวประมงเขาเป็นคนจับปลาแล้วก็มีอาชีพที่จับปลาที่ค่อนข้างจะใหญ่โตเพราะว่าเขามีเพื่อนมีพี่น้องที่อยู่ริมบ้านของเปโตรนะครับก็อยู่ริมทะเลสาบ ก, กาลิลี ในทุกครั้งในชุดของเขานั้นก็ยังอยู่ที่เดิมอยู่ตลอดเวลาและพระเจ้าก็ส่งเรียกเขาถ้าเกิดพี่น้องมีโอกาสได้ดูหนังสือลูกานะครับในบทที่ห้าในข้อที่หนึ่งเป็นต้นไปตรงนั้นผมอยากจะกลับมาที่เราจะมองชุตของเปโตก่อนว่าทำไมพระอต้องถามเขาผมเชื่อว่าชีวิตของเปโตรอาจจะเหมือนคนหลายหลายคนและเป็นตัวอย่างที่ดีกับเราเขาเป็นคนอย่างไรครับ ประการแรกชีวิตของเปเรโตรเป็นอย่างไรเดี๋ยวผมจะให้เรากลับมาศึกษาที่นี่นะครับแต่ให้เราคิดถึงชีวิตของเปเรโตรหนึ่งเปเรโตรมักจะทําอะไรก่อนคิดเสมอดูเหมือนเปเรโตรเป็นคนรวดร้อนดูเหมือนเป็นคนอารมณ์ร้อนทําอะไรอย่างรวดเร็วถ้าพี่น้องมีโอกาสอ่านหนังสือแมทธิวสิบี่เรื่องราวที่เกิดขึ้นผมเชื่อว่าเขาเป็นคนที่ดีคนหนึ่งนะครับไม่ใช่หมายถึงไม่ดีแต่บ่อยอครั้งเกิดปัญหาขึ้น ในเวลานั้นที่พระเจ้าเดินบนทะเลเปโตรก็มองเห็นพระยเยซูเจ้าเหมือนกันเขาก็อยากจะเดินบนทะเลเหมือนกันมันเป็นสิ่งที่แปลกแต่เปโตรก็ทําไมครับก็ขอพระองค์เจ้าว่าถ้าเป็นพระองค์แน่แล้วขอใหข้าพเจ้าเดินไปหาพระองค์เถอะเขาเดินได้ไหมครับพระกบีบอกเดินได้ทําไมเขาเดินหน้าที่นั่นเพราะว่าชีวิตของเขาจับต้องอยู่ที่พระเยซูเจ้าเขาจึงสามารถเดินไปหาพระองค์ได้ แต่เมื่อใดก็ตามที่เขาเริ่มมองสิ่งรอบข้างไม่ได้มองที่ปรงคเขาจึงจมในน้ำไม่มีแนวคิดบางอย่างที่เกิดขึ้นครับว่าบางทีชีวิตของเปโตตัดสินใจลงมือทำอะไรทันทีโดยไม่ได้คิดเลยว่ากลัวหรือไม่กลัวแต่ไม่รู้ว่าถูกหรือผิดเขาพ่ายแพ้อย่างรวดเร็วในสิ่งที่เ็ามองแล้วกลับมามองความสามารถของตัวเอง ขาทุนขอพระเจ้าอย่างรวดเร็วขอให้ได้อย่างไรและทันใจเขานั่นคือวิถีชีวิตแรกของเปโตรประการที่สองเปโตรเป็นคนอย่างไรครับเขาไม่ระมังระมัดระวังในการพูดถ้าเกิดเราสังเกตนะครับร้มีโอกาสได้ศึกษาของเขาเราจะพบในหนังสือแมทธิว16เวลาที่พระเจ้าบอกกับสาวกของพระองค์ได้ว่าพระองค์จะเข้าไปยังกรุงเรสเลมเพื่อจะรับการทนทุกข์ทรมาน จนต้องถูกประหารชีวิตเปโตรเริ่มข้ามพระเยซูทันทีและกล่าวว่าพระองค์จาข่าเหตุการณ์นั้นห่างไกลจากพระงองค์เถิดอย่าให้เป็นอย่างนั้นแก่พระองค์เลยจากความไม่รอบคอบในคำพูดของเปโตรนั่นเองทําให้สิ่งเหล่านั้นไม่ถูกนามพระทยพระเจ้าเปโตรถูกว่าอย่างรุนแรงมากที่เหมือนกับว่าความคิดของเขาเป็นแบบซาตานที่จะขัดขวางงานของพระเจ้า ถ้าเรามีโอกาสได้เห็นอีกเหมือนกันนะครับหนังสือมาระโกบทที่สิบสในข้อ27ถึงสามสบอ็ดแสดงถึงความเป็นคนที่พูดก่อนคิดของเปโตปรเปโตกล่าวอย่างนี้ว่าแม้คนทั้งปวงจะทิ้งโปรงข้าโปรงจะทิ้งก็หาไม่ได้และพระเยซูก็บอกกับเปโตว่าก่อนไก่ขันเขาจะปฏิเสธโปรงสามครั้ง แทนที่เปโตรจะได้คิดนะครับว่าทำไมพระองค์ปรักกับเขาอย่างนั้นแต่เขากลับตอบอย่างนี้ว่าถึงแม้ว่าข้าพระองค์จะต้องตายกับพระองค์ครับรองค์ก็จะไม่ปฏิเสธพระองค์เลยนี่คือเบื้องหลังชีวิตของเขาชีวิตของเราว่าหลายครั้งเราอาจจะพูดกับพระเจ้าหลายครั้งที่เราอยากจะทำอะไรเราก็ ค, คล้ายๆกับชีวิตของเปโตรเหมือนกัน เราทูลขอกับพระเจ้าด้วยความรวดเร็วเราคิดอะไรแล้วเราบอกว่าเพราะเรารักพระเจ้าเราจะไม่เป็นแบบนี้เพราะเราเป็นเรารู้จักพระเจ้าเราจะไม่ทำแบบนี้แต่ท้ายสุดเราแพ้ตลอดนี่คือความจริงพระองค์ไม่ได้โกรธเปโตรแต่พระองค์ใช้ชีวิตของพระองค์สอนเปโตรและปพระองค์ก็มุ่งเป้าไปยังเขาเป็นเรื่องที่น่าสนใจพระเจ้าได้ถามเปโ ต, ตรตัวนั้นสามครั้ง ที่จะให้เขาได้คิดในสิ่งที่เขาดาเนินการอย่างไรในชีวิตของเขาผมเชื่อว่านี่เป็นเวลาที่พระองค์เจ้ารู้ว่ามันเป็นเวลาสำคัญสำหรับชีวิตของเปโตและคนที่เชื่ออยู่ในพระองค์เจ้าพี่น้องครับถ้าเราดูย้อนขึ้นไปก่อนบทในข้อที่สิบห้าเราพบในข้อที่สิบสี่ว่ายังไงครับนี่เป็นครั้งที่สามในการที่พระองค์ทรงปรากฏกับสาวกของพระองค์เจ้า เรามองย้อนขึ้นไปอีกนิดหนึ่งเราจะพบว่าหมายเลขสามเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญในหนังสือยนด้วยเช่นเดีวยวกันถ้าเราดูตั้งแต่หนังสือยนบทที่20บในข้อที่ส19เป็นต้นมาการปรากฏครั้งแรกของพระองค์เจ้าอยู่ใน่ามกลางที่สาวกของพระองค์กลัวตายทั้งหมดอยู่ในห้องชั้นบนปิดประตูอย่างเรียบร้อยไม่ยอมให้ใครเข้าไปเด็ดขาดพระเยซูเจ้าปรากฏกับเขา หลังจากนั้นอีกแปดวันเพราะในตางที่ปรากฏครั้งแรกนั้นมีคนหนึ่งที่ไม่อยู่ในนั้นคือโทมสัสหลังจากนั้นอีกแปดวันพระอเจ้าปรากฏที่เดิมเลยนั่นคือสองครั้งแล้วแต่คุณดูนะครับเราจึงเห็นอะไรครับในหนังสือยอนที่ยี่สิบเ็ดเราจะไปจับปลาเขาเห็นพระเยซูเจแล้วนะครับเขามองเห็น แต่สิ่งเหล่านี้คือสู่คําถามแรกเวลาที่ผมเชื่อว่าพระเจ้าทรงคุยกับเปโตแล้วก็มีคําถามที่เกิดขึ้นในสามครั้งนั้นเพื่อจะยืนยันบางอย่างกับเราอย่างแรกพี่น้องครับคําถามนี้อยู่ในหนังสือยอห์นบทที่ยี่สิบเอ็พระองค์หลังจากเมื่อรับประทานอาหารเสร็จแล้วพระองค์ตรัสกับซีโมนเปโตรว่าวันนี้เราฉบับแปลไม่เหมือนกันนะครับผมยังใช้เจ็ดหนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งอยู่เมื่อสักครู่เราอ่าน 20, สองพิเบเ เราอาจจะงงนิดหน่อยนะครับมันอาจจะไม่เหมือนกันนะคงไม่เป็นไรเพราะว่าผมยังชินอยู่กับหนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งอยู่นะครับยังเป็นคนอาวุโสอยู่เ อ, อไม่ใช่ครับหนุ่มเหลือน้อยซิมอนบุดยอนเอ๋อเจ้ารักเรามากกว่าสิ่งมากกว่าเหล่านี้หรือน่าคิดคําถามแรกที่โปรงถามผมเชื่อว่าเวลาที่โปรงพูดว่ารักมากกว่าสิ่งเหล่านี้หรือนั่นคือคําถามแรกโปรงถามอะไร เมื่อรับประทานอาหารแล้วหมายความว่ารองกํกำลังถามเบเรโตว่าท่านรักในปลามากกว่าเราหรือแปลกเนาะทำไมครับพระกะ บ, บีบอกว่าเขาจับปลาได้กี่ตัวครับเราไม่ได้อ่านท้านบนรู้ไหมครับกี่ตัวเขาจับได้ในครั้งนี้ หนึ่งร้อยห้าสิบสามตัวในอวนเดียวเป็นเรื่องที่เราเปรียบเทียบกับการเรียกเปรโตในครั้งแรกถ้าเราสังเกตจากหนังสือลูกาบทที่ห้าในครั้งแรกนั้นเขาจับปลามาคืนยันลุ่งจับไม่ได้เลยใช่ไหมครับรับรองบอกขอใช้เรือเขาเนี่ยเป็นธรร ม, มาทถอยออกไปแล้วสอนคนสอนเสร็จรับรองบอกอะไรครับไปอีกนิดหนึ่ง ไปจับแล้วก็ได้ปลาเยอะมากเลยเขาก็ลืมพระเยซูเจ้าพระเจ้าใช้เหตุการณ์เดียวกันสอนเปรยโตอีกครั้งพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่สำคัญบ่อยครั้งพระเจ้าไม่ได้สิ่งให้สิ่งใ ห, งใหม่อะไรกับเราแต่พระองค์เรียกร้องสิ่งเดิมกับเราเสมอเขาจับปลาไม่ได้คืนยันลงุงครั้งนี้เหมือนกันเขาจับปลาไม่ได้เหมือนกันโอ้ยเขาเป็นชาวระมงพระเยซูปเป็น ช่างไม้ไม่เคยรู้เรื่องประมงมาก่อนเลยแต่ทำไมาปลงใช้สิ่งนี้แล้วปลงถามเขาว่าท่านรักอาหารมากกว่าเราหรือท่านรักสิ่งที่เป็นปลาเหล่านั้นมากกว่าเราหรือหลายครั้งชีวิตของเราทั้งหลายเพราะการกินทำให้เราทิ้งพระเจ้าคนแรกที่กินแล้วทิ้งพระเจ้าคือใครครับ ชีวิตของเอวาชีวิตของอาดามัมมนุษย์คู่แรกพระเจ้าบอกกับเขาว่าทุกอย่างกินได้หมดยกเว้นอย่างเดียวที่ห้ามกินผมตั้งคำถามในใจอยู่เสมอทำไมพระเจ้าห้ามเรากินเพราะนั่นคือสิ่งที่กำลังเป็นอย่างเดียวที่ทดสอบว่าคุณเชื่อพระเจ้าหรือเปล่า ไม่เรียกกล้องอะไรมากเลยนะครับเพราะทุกอย่างคุณทำได้หมดทุกอย่างเลยแต่อย่างเดียวที่วัดว่าคุณเชื่อพระเจ้าหรือเปล่าแต่นั่นคือสิ่งที่น่ากลัวการกินเนี่ยทำให้บงทีเรามองว่าบ่อยครั้งที่เราเห็นสิ่งนั้นแล้วดีกว่าความรักของพระเจ้าถ้าคุณดูใครครับอันแรกคือเอวาอ่าเอที่สองเออะไรเอ่ยที่เห็นกับการกิน เอที่สองคือเอซาวเอซาวไปแล้วกลับไปล่าสัตว์แล้วหาอะไรไม่ได้หิวจนตาลายเขาไม่สนใจสิทธิบุตรหัวปีเลยเพราะมันยังจับต้องไม่ได้เขาขายสิทธิบุตรหัวปีด้วยอะไรครับ ตัวแดงช่วยเดียวถ้าพี่น้องมีโอกาสกลับไปอ่านนะในประพระกาฬยี่สิบห้ายาโคบเป็นคนฉลาดพอารู้ว่าถ้าเอสาวกินขนมตัวแดงช่วยเดียวเนี่ยมันไม่พอหรอกไม่อิ่มหรอกอ่านได้ดีนะครับเขาแถมขนมปังให้ด้วยสงสัยมาอยู่ประเทศไทยนี่ยาโครบรวยเลยเพราะว่าคนรักของแถมมากกว่าของจริงเราซื้อของทุกวันนี้มีแต่ของแถมนะครับ เขแถบ่ายนะครับเพราะว่าน่งจากเขากลัวว่าถ้าเอซาวกินไม่อิ่มเดี๋ยวไม่ยอมเอาสิทธิ์ทีปวดหัวปีนั้นให้นะะจุดนี้น่าสนใจแล้วเอซาวอยากจะมาเรียกร้องว่าอยากจะได้สิทธิ์ทีปวดหัวปีนั้นเหรอเพราะเขาไม่เห็นคุณค่าแต่แรกผมเชื่อเป็นคําถามพระเจ้าถามเราเสมอเหมือนกับพี่น้องในโครินเหมือนกันอาหารที่เราควรจะกินได้ไหมมีคําถามมากมายที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราไอ้นี่ทําได้ไหมนั้นทําได้ไหมต่างๆทั้งหลาย แต่โปรงถามแล้วว่าความรักของเราวีกับพระเจ้าอย่างไรเมื่อสักครู่เราร้องเป็นประยมโปร่งเสียสละเพื่อเราโหยากมากที่คนจะยอมตายแทนคนแต่จุดนี้คือจุดที่เป็นคำถามที่น่าสนใจเป็นคำถามที่เป็นจุดอ่อนที่สุดของมนุษย์เชื่อไหมครับการกินของเราเนี่ยเป็นจุดอ่อนที่สุดของชิของมนุษย์เลยพระเจ้า อดอาหารสี่สิบวันอย่างแรกที่ถูกตกลงคืออะไรครับถ้ารวมเป็นบุตรของพระเจ้าปเปลี่ยนก็เห็นได้เป็นขนมปังสิเป็นการท้าทายชีวิตตลอดพระเยซูเจ้าถามเปโตต ร, ตรงนั้นนะครับเพราะนี่คือความสําคัญที่เกิดขึ้นที่อยากให้เราทั้งหลายได้คิดบ่อยครั้งที่เรามองถึงสิ่งที่เรามีและวัฒนชีวิตของเราบางทีเรามองสิ่งเหล่านั้น สำคัญกว่าพระเจ้าสำคัญกว่าความรักของผมร่งถามข้อที่สองเจ้ารักเราหรือรักเรามากกว่าอะไรสองคือเรือหรืออาชีพเรือนี่เป็นอาชีพเดิมของเขานะครับ เปโตรเป็นคนที่รักพระเจ้าใช่เขาอยู่อาชีพนั้นเราพระเจ้าเรียกเขาออกไปตั้งแต่วันแรกที่เขาติดตามพระองค์เขากราบพระองค์เจ้าว่าพระองค์เป็นอย่างไรและเขาก็ตามพระองค์ไปในวันนั้นจริงๆตลอดสามปีที่เปโตอยู่กับพระองค์เจ้าแม้ว่าเขาเห็นพระเยเจ้าสองครั้งแล้วน่าเสียใจที่เขาบอกกับคนอื่นว่าข้าจะไปจับปลา มิใครจะไปด้วยอีกคนตอบรับทันทีเลยเพราะเขารู้สึกเริ่มไม่มั่นใจว่าโปรงจะอยู่กับเขาตลอดเวลาหรือไม่เราไม่รู้แต่ละคนทำอะไรแต่เรารู้ความจริงว่าเปโตจับปลาและทำไมครับเขามีอาชีพที่สำคัญตรงนั้นในกาลิลี นี่คือจุดที่น่าคิดเมื่อเรามองไม่เห็นความหวังที่เกิดขึ้นเราพยายามจะไขว้คว้าสิ่งที่เราจับต้องได้และคิดว่ามันมั่นคงที่สุดพระเยซูจึงถามคนถามาผมเช่ว่านี้เป็นคําถามที่เกิดขึ้นนะครับมันเป็นอาชีพที่เรามีอยู่ท่านรักเรามากกว่าอาชีพนั้นหรือเปล่าท่านรักเราสิ่งเหล่านี้ไหมผมอยากจะพูดอย่างนี้นะครับไม่ได้หมายความว่าพระเจ้าไม่ให้เรามีนะครับ พระเจ้าให้เรามีทุกอย่างนะครับแต่พระองค์ถามว่าเรามาักเรารักองคเจ้ามากกว่าสิ่งที่เรามีหรือเปล่าหรือเรารักสิ่งเหล่านะั้นมากกว่าองค์พระเนเจ้าเท่านั้นเองพี่น้องครับคนที่รักพระเจ้ามีคนหนึ่งนะครับถ้าเกิดท่านมีโอกาสได้อา่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับหนังสือแมทแมันหนังสือมารโกบทที่สิบพระกะบีพูดถึงใครครับพูดถึงคนคนหนึ่งเป็นเศรษฐี เขเป็นคนหนุ่มที่มีฐานะที่ดีเพราะก็ะีบอกอะไรครับพระเยซูเจ้าเขาวิ่งหาพระเยซูเจ้าแล้วถามพระองค์เจ้าว่าพระองค์เจ้าข้าพเจ้าจะทําประการใดถึงจะได้ชีวิตในหลันใช่ไหมครับแล้วพระองค์บอกว่าทําไมครับท่านทําอย่างนี้หรือเปล่าปั๊บปั๊บปัป๊บ ป, บ ป, บปบโอ้ยเขาทําทุกอย่างเลยพระองคมองเขาแล้วรักนะแต่พระองค์บอกว่าเขาขาดอย่างเดียวเขาขาดอะไรครับ ขาดความรักอย่างพระเจ้าอย่างแท้จริงเพราะว่าสิ่งที่พระเจ้าตรัสถามเขานั้นน่ะมีอยู่หกอย่างตรงนั้นเขาไม่เคยที่โกงใครเขาไม่เคยล่วงประเวณีเขาไม่เคยโกหกใครนั่นคือรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองเขาขาดอย่างเดียวขาดรักพระเจ้ามากกว่าสิ่งเหล่านั้นพี่น้องครับนี่เป็นคำถามที่น่าคิดทีเดียวผมอยากจะบอกนะครับ เรามีทุกอย่างเพราะเรารู้ว่าทุกอย่างนั้นเป็นพระพรของพระเจ้าในตอนเช้าผมพระเทศนาด้วยเหมือนกันพระพระเจ้าของเราเก่งนะพระองค์เปลี่ยนภาระให้เป็นพระพรตลอดชีวิตเราจริงๆเรามีพระพรของพระเจ้ามากมายแต่พระพรที่พระเจ้าอวยพรเราหลายครั้งเป็นอันตรายที่ทําให้เราทิ้งพระเจ้าไปผมเคยคิดอยู่เหมือนกันนะเป็นพระเจ้าเนี่ยน่า นั่งร้องไห้จริงๆเวลาที่ลูกของพระองค์เจ้าไม่มีอะไรก็ร้องทูลกับพระเจ้าอย่างร้องไห้เสียน้ําตาไปเยอะมากเลยแล้วพระเจ้าก็อวยพรให้เขามีความสุขจนบางคนทิ้งพระเจ้าเลยเพราะมีความสุขมากเกินไปมีครบทุกอย่างแล้วไม่สนใจพระเจ้าก็ดีพระเจ้าไปวันอาทิตย์แทนที่จะมานมัสการขอบคุณพระเจ้าก็ทิ้งพระเจ้าไปเพราะว่าเนื่องจากอาชีพนั้นทําให้ต้องอยู่ในวันอาทิตย์ด้วย เป็นเรื่องที่น่าเศร้าใจนะผมเชว่าเราเป็นพ่อแม่ถ้าเกิดเราให้กับนั่นนะครับพอลูกได้ดีแล้วมันทิ้งเราไปเลยอะ่ะนี่คือเรื่องที่พระองค์เจ้าตั้งคำถามกับเโตในชิตของเราเรารักอะไรมากกว่ากันบ่อยครั้งเราบอกว่าเรารักพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าเรามองไม่เห็นไม่มีตัววัด พระองค์ให้ตัววัดนะครับ KPI ของพระองค์คืออะไรครับ <c oughs> ถ้าคุณคิดว่าคุณรักพระเจ้าต้องรักพี่น้องที่มองเห็นแต่เราไม่เคยรักพี่น้องที่มองเห็นแล้วเราจักพระเจ้าได้หรือเปล่าจะเป็นแค่นั้นเองง่ายๆจุดนี้คือคําถามที่สองที่เป็นอยู่ที่บอกว่าพระเจ้าถามเขาสามครั้งไม่ได้หมายว่าผมเชื่อว่าพระองค์ต้องการให้เปรโตคิดแต่จริงๆแล้วผมขอใช้ศัพท์ศาสนศาสตร์นิดหนึ่งเพื่อเราจะเข้าใจ มีคนตั้งคำถามว่าทำไมพระองค์ถามคำถามเบเรโตสองครั้งแรกแล้วเบเรโตเริ่มไม่สบายใจในคำที่สามนะครับเราเห็นคำที่สามใช่ไหมครับเมื่อพูดว่าพระเยซูาถามเขายังไงครับ เ, เราดูในพระคัมภีร์ของเรานะเขาเริ่มพูดอะไรครับในข้อที่สิบเจ็ดพระองค์ตรัสเ ข, ขาครั้งที่สามเปลรโตเป็นทุกข์ใจที่พระองค์ กลัดเขาครั้งที่สามว่าเจ้ารักเราหรือตรงนี้หมายความว่าอะไรเพราะในภาษาเดิมภาษาไทยแปลไม่ได้เด่นเด่นชัดเพราะในภาษาเดิมเป็นคำที่ไม่เหมือนเดิมนะครับในการศึกษาเนี่ยนะครับเนื่องจากพระคัมภีร์เราถูกเขียนด้วยภาษากรีกคาถามแรกที่พระเจ้าถามเปโตร พระองค์บอกว่าเจ้าเรารักเรามากกว่าสิ่งเหล่านี้หรือพระองค์ถามเขาด้วยคําว่าอากาเปโตสท่านอยากจะรักเราแบบเสียสละในสิ่งที่มีอยู่หรือเปล่าถ้าเป็นแบบนั้นก็เลี้ยงดูลูกแกะของเราและเปโตรตอบพระ อ, ปปรองค์เ oh, จ้าว่าโอ้พระองค์เจ้าข้าพระองค์รักพระองค์โดยใช้คําว่าฟิเลอร ฟิเลโอหมายความว่าขาบลงรักรงแบบพระอาจารย์เพราะติดตามพระองค์มาตลอดสามปีพระองค์เป็นพระอาจารย์พระเยซูจึงถามเปลโตในครั้งที่สองว่าเจ้ารักเราหรือโดยใช้คำว่าอากาเปโตสเปรลโตยืนคำตอบเดิมก็ตอบพระองค์ว่าใช่พระองค์เจ้า ข, าข้าขับลงรักรง แบบฟิเลโอคือรักแบบพระอาจารย์ดังนั้นครั้งที่สามพระองค์ถามเปเรโตว่าเปเรโตเจ้ารักเราหรือโดยใช้คำว่าฟิเลโอไม่ใช้อากาเบโตสอีกแล้วเปรโตจึงทุกข์ใจพรวมเปลี่ยนคำว่าอากาเบโตสเป็นฟิเลอ ท่านรักเราแบบพระอาจารย์ใช่ไหมเรารักพระเจ้าแบบไหนนี่คือครั้งที่สามที่เกิดขึ้นพระองค์ถามว่าเจ้ารักเราเพราะมองเป็นพระอาจารย์หมายถึงว่าเรารักพระองค์เจ้าแบบพระอาจารย์หรือเรารักพระองค์เจ้าแบบที่เราจะเสียสละเพื่อพระองค์ได้ มันเป็นคำถามค้างคาใจจริงๆนะครับในครั้งที่สามว่าทําไมโปรองถามเดี๋ยนั้นหนึ่งโปรองถามก็ว่ารักพปร่งนะครับรักแบบจะเสียสละปลาได้ไหมจะเสียสละกเลือได้ไหมเตปรโตดูเหมือนตอบไม่ใช่เลยผมรักแบบอาจารย์ผมก็รับใช้อาจารย์เท่านั้นเองแต่ขอบคุณพระเจ้านะพระเจ้าไม่ได้โกรธเปรโตแต่กำลังสอนเปรโตถึงวิธีชีวิต พระองค์บอกว่าแม้ว่าคุณรักเราแบบอาจารย์ก็ตามแต่ก็รับใช้พระเจ้าได้แต่ผมเชื่อว่าพระเจ้าต้องการให้เรารักพระองค์แบบยอมพระองค์ทุกอย่างพี่น้องครับอย่างที่ผมบอกนะครับในอยากให้เราคิดในทุกครั้งที่เราพูดถึงเรารักพระเจ้าเรารักแบบไหนพระองค์ตั้งคำถามกับเราเสมอว่าเจ้ารักเราหรือ เจ้ารักเราแบบที่เรารักเจ้าหรือเปล่าคำตอบนี้เป็นคำตอบของท่านทั้งหลายเพราะพรองค์ตั้งใจถามเราแต่ละคนพระองค์ไม่ได้ถามเลโตอย่างนั้นอย่างเดียวแต่เรามีชีวิตที่คล้ายกับเบโตเรามีเช่นนัน้แล้วเราจะตอบพระองค์อย่างไรผมเชื่อว่าเกิดว่าเรารักอะไรก็แล้วแต่ถ้าใช้คาว่า ร, ารักแบบเสียสละได้คุณยอมทุ่มเททั้งหมด จริงไหมครับบางทีเราอยากได้ไดอะไรเราอยากจะมีความรักแบบทุ่มเทมีงานศิลปะที่ราคาแพงมีสแตมที่แพงมากบางทีเราก็ยอมซื้อสิ่งเหล่านั้นมานะครับเพราะว่าเราคิดถึงในสิ่งที่เรารักในสิ่งนั้นนั่นแหละคือความรักที่พระเจ้ามีกับเราพระองค์รู้ว่ารักคนที่บาปชีวิตของสัตว์ก็ช่วยไม่ได้ เพราะเลือดของสัตว์มาแทนมนุษย์ไม่ได้มันเป็นเพียงชั่วข่าวพระองค์จึงต้องจ่ายด้วยราคาสูงนั่นหมายถึงยอมที่จะเสียสละตัวพระองค์เองเพื่อที่เราจะได้กลับคืนผมเชื่อนี่เป็นความรักที่ยิ่งใหญ่เป็นสิ่งที่สอนให้เราได้เข้าใจถึงว่าไม่ใช่ว่าเรารักสิ่งที่เรามีไม่ได้แต่อย่ารักสิ่งนั้นมากกว่าที่เราจะรักพระเจ้านี่คือคาที่พระองค์บอก กับเรโตผมอยากให้อีสเตอร์นี้นะครับหรือว่าในสัปดาห์ที่เราคิดถึงผมเชื่อว่าพระองค์ปรากฏในชีวิตของเรามากกว่าสามครั้งในเวลาที่คุณเศร้าใจในเวลาที่คุณทุกข์ใจในเวลาที่คุณมีอะไรต่างพระองค์ปรากฏกับคุณอยู่ตลอดเวลาแต่เรายังจะทิ้งพระองค์หรือเปล่านั่นคือคำถามที่ให้ท่านทั้งหลายได้คิด เพราะทุกครั้งที่คุณเศร้าใจพระองค์อยู่เคียงข้างเมื่อเช้าผมเทศนาไปว่าเวลาที่สองคนนั้นเดินทางไปยังบ้านเอ็มมาอูดเขาคุยกันในความหมดหวังในความเศร้าใจพระเยซูคริสต์เจ้าก็โดร่ว ม, มเดินทางกับเขาในเวลาที่เขาไ้คํคำตอบพระเยซเจ้าก็ให้คำตอบกับเขาแต่พระองค์ต้องการให้เขาได้รับประพอนนั้นหมายถึงชีวิตที่มีพระองค์อย่างแท้จริงเหมือนกันนะครับในทุกวันนี้ ผมเชื่อว่าในสิ่งที่เรามีจำไม่ดีนะครับในโลกนี้เราเอาอะไรไปไม่ได้สักอย่างเพราะว่าดินจะกลับสู่ดินทุกอย่างที่ในโลกนี้มาจากดินขึ้นสู่สวรรค์ไม่ได้แต่สิ่งที่มาจากสวรรค์คือจิตวิ ญ, ญญาณที่พระเจ้าระบายลงสิ่งนั้นจึงกลับไปสู่โปร่งได้ พรงจึงพยายามสอนเปโตตลอดเวลาว่าคิดให้ดีในความรักที่กำลังท้าทายเราว่าถ้าวันนี้คุณรักพระเจ้าคุณจะทำอะไรเพื่อพระเจ้าครับพระองค์ให้เปโตสอนสอนใครครับให้ดูแลแก่ให้ดูแลทุกอย่างต่างๆทั้งหลาย ผมขอบคุณพระเจ้านะแม้ว่าเปโตรักพระเจเจ้าแบบผ้ า, าจานนะแต่ท้ายสุดเปโตยอมสละชีวิตของตัวเองนะครับแต่เดิมก็ไม่กล้าเลยดังนั้นพระกบิยอนจึงบอกอะไรครับในข้อที่ไหนครับในข้อที่สิบเก้าที่ปร่งปรัดอย่างนั้นแล้วรู้ว่าจะตายอย่างไรเพราะหนังสือยอนเขียนหลังจากที่เปโตตายแล้วท้ายสุดเปโตโดนจับนะ เขาคาดเอวโดนคนหนึ่งคาดเอวคือจับไปอะแล้วก็ตายด้วยความเชื่อแบบพระองค์เจ้านะครับเรารู้ประวัติศาสตร์เว่าเปเรโตก็ถูกตรึงบนไม้กางเขนเหมือนกันเขาขอว่าเพราะเขาเข้าใจแล้วว่าพระองค์เจ้ากําลังหมายความว่าอะไรเปเรโตจึงบอกว่าขอให้เขากลับหัวเขาลงที่เขาจะไม่ตายเหมือนพระเยซูคริสต์เจ้านี่คือประวัติศาสตร์ซึ่งไม่ได้ถูกบันทึกไว้ในพระคัมภีร์ แต่เขาก็ถูกตรึงเหมือนพระเยซกเจา้าแต่เพราะเขายอมทําตามเหมือนพระองค์เพราะวันที่พระองค์ถามเขาว่าเจ้ารักเราหรือแล้วเขาเริ่มเข้าใจทั้งหมดเขาจึงยอมตามพระองค์ในครั้งที่สองพระระองค์บอกอะไรครับจงตามเรามาเถิดเหบือนครั้งแรกวันนี้ผมอยากให้ท่านทั้งหลายคิด อิสเอร์จะมีความหมายกับเราเสมอเมื่อเราคิดถึงการที่พระองค์ตายแล้วเป็นขึ้นมาเพื่อเราเองในทุกครั้งให้เราคิดกลับมาว่าพระองค์กำลังกลับมาเรียกเราหรือเปล่าผมไม่ทราบคุณเคยสัญญาอะไรกับพระเจ้าผมไม่ทราบว่าคุณเคยได้รับอะไรจากพระเจ้าผมไม่ทราบว่าคุณได้ประสบประการอะไรที่มีสิ่งดีกับพระเจ้าและพระองค์มักจะถามเราว่า ลูกเอ๋ยนั่นคือคําอวยพรที่เราให้กับเจ้าทั้งหมดจริงๆแต่เจ้ารักเรามากกว่าสิ่งที่เราอวยพรหรือเปล่าหรือรักสิ่งเหล่านั้นมากกว่าเราและเจ้าจะทําอะไรเพื่อเราบ้างล่ะมาคิดละจักมาทําอะไรเมื่อเช้าผมได้เทศนาวันอาทิตย์ที่เรามาคิดละจักอย่าคิดว่าเราจะมารับพระพรของพระเจ้า เพราะพระพรของพระเจ้าไม่ใช่มีในวันอาทิตย์พระพรของพระเจ้ามีทุกวันแลวันอาทิตย์มาทำอะไรมาขอบคุณพระเจ้าวันอาทิตย์มาทำอะไรมาให้พระเจ้าผมมักจะพูดอยู่เสมอนะครับว่าในาากิจจักาทุกกิจจักาจาก้าวันอาทิตย์ มีสมาชิกสองร้อยกว่าคนมาถวายพระเจ้าคนละอย่างได้สองร้อยอย่างในหนึ่งอาทิตย์พราะคุณได้รับพระพรของพระเจ้าตลอดมาหกวันและพระเจ้าต้องการให้เรามาเพื่อจะขอบคุณและเห็นถึงพระพรที่พระเจ้าประทานนี้กับเราพระพรไม่ได้อยู่ในโบสถ์ครับพระพรไม่ได้อยู่ในคําเทศนาของผมครับเพราะพระพรนั้นมาจากพระเจ้าถึงเราทั้งหลายโดยตรง แต่เรามาหาพระงเจ้าเราจะขอบคุณพระเจ้าอย่างไรเปรโตถูกถามคำถามนั้นเหมือนกับที่พระเจ้าถามเราทุกวันผมชื่อว่านี่คืออยากให้เราได้คิดตรงนี้นะครับเราได้ยินเรื่องราวมาตลอดเรารู้เรื่องราวทุกอย่างในพระกบมีพออาจารย์ขึ้นมาพูดเราก็รู้อาจารย์จะเทศนาอะไร ในทุกวันนี้มีเยอะไปหมดนะครับในก o เกิลในในอินเทอร์เน็ตต่างๆทั้งหลายแต่สิ่งที่ผมตั้งคําถามเบตโตปฏิเสธพระองค์สามครั้งพระองค์ถามเขาสามครั้งถ้าเปเตโตปฏิเสธร้อยครั้งพระองค์น่าจะถามเขาร้อยครั้งวันนี้เราปฏิเสธพระองค์กี่ครั้งผมชื่อพระองค์ถามเราเท่ากันนั้นแหละแต่ เราพยายามไม่อยากจะได้ยินและอยากจะได้ฟังว่าพระองค์ถามอะไรเราแต่วันนี้ผมมาสกิดใจท่านถ้าอีสเตอร์นี้ในทุกวันที่พระเจ้าถามเราเราจะตอบพระองค์อย่างไรคำตอบอย่างที่ผมบอกอยู่ที่ท่านไม่ได้อยู่ที่ผมแต่ทุกครั้งจาไม่ดีไม่ว่าคุณจะเดินหนีพระองค์ไปที่ไหนก็ตาม สันตดีร้อยสามสบว่ายัางไงครับความรักของพระเจ้าก็ติดตามเราไปหนึ่งร้อยสามสิบเก้าว่าคุณจะหนีไปที่ไหนคุณหนีพระเจ้าไม่พน้นหรอกแต่ดีนะกับที่ร้อยสามสิบหกมาคขนว่าพระเจ้ามีความรักที่ติดตามเราเสมอความรักมั่นคงของพระเจ้าดังนั้นพระเจ้าติดตามเราเพราะไม่ได้หมายถึงว่าพระเจ้าจะลงโทษเราแต่ทุกครั้งที่คุณเดินและหนีจากพระเจ้าพระเจ้าจะตามระหาคุณ เพื่อที่คุณจะกลับมาตามพระองค์เจ้าอีกครั้งหนึง่งพระองค์ใช้คำเดิมเลยพระองค์ไม่เคยเปลี่ยนเลยคำแรกได้พูดกับเรโตร ว, ว่าจงตามเรามาและครั้งนี้พระองค์ก็บอกเขาว่าสรุปด้วยคำเดียวตอนหลังก็คือจงตามเรามาถ้าเจ้ารักเราตามเรามาเหมือนเดิมวันนี้ท่านเดินหนีพระเจ้าหรือเปล่าผมไม่ทราบขอให้คำ สั้นๆที่มาจากพระคำพิ์เป็นคําท้าทายชีวิตของเราอีกว่าเจ้ารักเราหรือถ้ารักเราทําตามที่เราบอกและตามเรามานะครับผมไม่ข้อคิดกับท่านทั้งหลายสั้นๆแต่เชื่อว่ามีประโยชน์กับท่านมองว่าท่านรักพระงเจ้ามากกว่าอาหารสิ่งที่ให้ท่านมีความสุขมากกว่าอาชีพที่ท่านมีอยู่ กับเพื่อนฝูงที่ทำให้ท่านหลายทิ้งพระเจ้าท่านรักสิ่งนั้นมากกว่าพระเจ้าหรือถ้าท่านคิดว่าท่านรักพระเจ้ามากกว่าตามพระองค์เมื่อทุกคนตามพระองค์เจ้าทุกคนก็เดินไปในทางเดียวกันถูกไหมครับคนที่ตามพระองค์จะเดินไปในทางเดียวกันนะแต่คนที่ไม่ตามพระองค์ก็จะไหมครับก็จะเดินหายไปเรื่อยๆอันนี้คือความสาคัญคนที่ตามพระองค์เจ้าคุณจึงเห็นพระองค์อยู่ข้างหน้า และคุณไม่เจอปัญหาใดข้างหน้าเลยเพราะพระเจ้าอยู่หน้าคุณเสมอขอร่วมใจอธิษฐานด้วยกันพระเจ้าเปบิดาสัมปัตใจขำหลายแต่ละคนที่นี่ในสิ่งที่ขำหลายเรียนรู้ในถ้อยคำที่พระเจ้าได้ตรัสกับข้ามตัางหลาย พระองค์ได้พูดถึงความรักของพระเจ้าอย่างมากมายที่มีต่อข้ามทั้งหลายแต่พระองค์ถามข้ามหลายว่าข้ามหลายรักพระองค์มากกว่าสิ่งที่ข้ามหลายได้รับพระพรจากพระองค์หรือไม่ในส่วนใดที่ข้ามหลายยังทำผิดต่อพระองค์เจ้าในส่วนใดที่ข้ามหลายทำให้พระองค์เสียพระทยัยขอพระเจ้าเมตตา อภัยข้างหลายใหม่ขอบพระคุณพระองค์เจ้าที่โปร่งส่งอภัยกับเบรโตโปร่ปรองอภัยกับเขาอย่างไรข้าพระองค์ก็เชื่อว่าพระองค์ทรงอภัยกับข้ามหลายเช่นเดียวกันอย่างนั้นในบ่ายวันนี้ขอให้คำตรัสของพระเจ้าให้สะท้อนในใจข้างหลายอยู่เสมอว่าเรารักพระองค์อย่างไร ให้เราตอบกับพระองค์ด้วยความมั่นใจว่าข้าพระองค์ ร, งรักพระองค์อย่างที่พระองค์ส่งรักข้ามนั้นทั้งหลายเพื่อที่ชีวิตของข้าางหลยนั้นจะติดตามพระองค์ตลอดวันคืนของข้ามนั้นทั้งหลายพระเจ้าขอบคุณสำหรับความรักใหญ่นี้จริงๆไม่มีความรักที่ดีกว่านี้อีกแล้วเพราะหลายครั้งคนที่ทิ้งพระองค์เจ้าคนที่ทิ้งพระของเขานั้นพระของคนอื่นนั้นไม่สนใจเลยแต่ขอบคุณพระองค์เจ้า ที่ความรักของพระงเจ้าเป็นความรักที่แน่นที่แท้จริงที่พระเจ้าตามหาข้ามหลายตลอดวันคืนของข้ามทั้งหลายข้ามหลายเชื่อมั่นว่าในบ่ายวันนี้สิ่งที่พระเจ้ากําลังตรัสในใจข้ามหลายลูกเอ๋ยเจ้ากําลังจะเดินผิดทางหันกลับมาหาเราไหม่ตามเรามาตามเรามาเพื่อที่เจ้าจะได้เห็นชิ้นนิรันที่เราจะประทานให้กับเจ้าขอพระเจ้าเมตตา ให้ความคิดนี้เกิดขึ้นกับข้างหลายใหม่ให้ข้างหลายได้ถูกเปลี่ยนแปลงใหม่เหมือนโผล่เปน็นขึ้นมาจากความตายในชีวิตของข้าพุทธทั้งหลายและข้างหลายจะรู้ว่าความรักนั้นทําให้ข้างหลายได้กลับคืนสู่พระองค์เจ้าขอบพระคุณพระองค์เจ้าอีกครั้งหนึ่งในชีวิตข้างหลายสรรเสริญและขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระสุคีจา้อาอเมน